ว่าท่านจะเป็นพระพุเจ้าคเชื่อมั่งว่าท่านจะได้เดินิีนี้แต่ถ้าพุทธองค์ทำไปทำไปจนสลบสลายจนลงตายลงตายมีท่าอินนันพินสายขายพอคุณจับเสกมาบีดให้ท่านดูบิดนั้นสายมันตึงเกินไปถ้าบิดเท่านั้นก็ขาดสายมัยาเกินไปบิดได้แต่ไม่มีเสียง ยึดเสียงในเพราะสายตาเน้นบีดนนบเสียงไพ่เล้วไม่ค่านี่เป็นโลกาทิปตาหรือบุคลาทิฐานที่ท่านต่าเอาไวเพื่อจะให้พวกเราผู้ฟังเอาวินิจฉัยคิดอ่านดูสายตาเนั้นคืออย่างไรตึ้งคอย่างไร อย่างเพื่ออย่างไรเพอจะปรับความคิดเห็นของตัวให้ถูกต้องพระพุทธ้เจ้าทำเห็นอย่างนั้ น, นอ่ะทรมานตายเราทรม า, า, า, ร า, ม า, านมาจนสลบสลัยก็มีอะไรที่จะตะวนออกไปทางจิตทางใจทางกิเลสปัญหาอริชาอุปาทานคืออยู่สุขสมิทสาบายในปร า, า, าสารลักษวัง อยากสยอะไรก็สวยไปอยากทาอะไรก็ทาไปเดิมาเดพลังานอะไรล้วก็เึ้นมาแล้วมันคยอหยาบเกินไปขาวตาคือหยางไรยถ้าคทดไ่จ้างผมพี่ยังมาจึงทรงตัดเวยถ้าใจยานิ่อีกเป็นจระเข้แห่งเหงื่อเหงื่อพระศรีทธาตุพระศรทัตาลาภมิ าขาความเพียรเยียด ม, มาเสียความมากมากไมมีทางที่จะตที่อู้ได้ก็เลยนีไปอยู่เป็นเรื่องในพระบัตถนิพพุทธพอหนีไปแล้อยู่คนเดียวก็นีเวืยเสวยอาหารไปไปมีเันเรื่งเพมืนี้พิจตรมาพายมาต่างใจกำหนดจิตใจได้ทรมานแต่จะเรื่องของกาทรมานเรื่องของกาย เดือสติเดอตันนาที enrolled, no ả, ่มีพจรณาอยู่เฉพาะทาเองเดียวในวันมีสาขาเป็นไ้่มีวันเดยวหกเพนตอนช้ามีหญคนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้มาถวายข้าวนาถุข้าวไอาถุปายกอนแต่ถ้าสี่ถึ้าก จะช้ำจนหมดลองทำนตัวแถลงฮะหยิบนักเหนาะสมเดินไปกันมีทางใหญ่มาหลายท่านอยากทาแตกกันมีแต่คนที่เป็นมักแตกแต่พูกเป็นสุภารพิฐานเราก็เลยมีเงินกนไปที่ประทับของท่านที่นั่งของท่านอาศายอยากทาอยากทาเราทุกวันนี้มันก็มีเือนกัน คนหนึ่งอากทนมั้นนั่ก็อ่อนนี่เหนื่นยหลอแต่ละมันคายมันทํานผมนั้นอาจจนั่งพบดเล่นนั่งเลาอยู่น่ม่เหมนแต่ท่านจะอาศัยว่านั้นแหละเป็นพลังที่จะทาในวันนั้นตั้งขั้นแ่พิธานมั่นคงลงต่อท่านขนาดี่อะไรถ้ามใเดชสุริย้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมนเศษเกิดขึ้น เราจะไม่หลงเรื่อ น, นี้ในคราวนี้จะเน้นแค่เราจะสั่งนะเราจะไม่หลง น, นี้ตายนยี้นี้จากที่นี่เป็นสัจจะพิฐานทั้งทาง่านในันจะตัดะรู้จะไมยมลกจากที่นี้ไปไหนถ้าเลยตัดะรู้ในคราวนี้นจะไม่ยดไปที่ไหน วิธีชีวิตต่อสู้ก า, า, า, า, าทําไปทําไปจิตธรรมดาเหนื่อยเวียนเวียนไปมันก็มีทใ จ, ส, จสายใจสาก็บท่านกับคนเหมือนกันกับเราผากอันเดียวกันถันอันเดียวกันหนันนก็รงความเจ็บปวดเหนื่อยเหนอหนื่ อ, อแล้วมันก็เกิดขึนน้นอืไปนานึ่งเห็นอะไร ในจิตในใ จ, จกิจกรรมจะเปลนิดให้ต่างๆทางสหรับตาาัหา ท, า, า, าท่านจึงหละพญานาถิราชเชิงลูกสาวลงมาหลอกลวงทรพิทักษกุามาลูกสาวขอานามก็ชื่อแปลกๆนางตัหาน า, นานาาานางอารดีสามคนนี้แหละเนลูกสาวของพญานานี่หลอกลวงพิทัก ใหล่มหลงทำมันได้คือชายก็ต่างหงในเกลียดตรงกันข้ามคือผู้หญิงงานทีงสามี้ลเหลาสวยงามหาคนเกลียดเกียดได้งานคหาก็ลด้รำเพลงต่างๆนานาทาวิิยาลัยยให้เกิดความอากได้งานลาาก็ทาท่าทีทุกอย่างให้เกิด กวามสมดีดีในโลกเมืองเดอโกงต่างๆเพื่อให้ท่านลุ่หลงนี่ ห, าหงงาามายถึงบุคลาพิฐานความจริงถ้าเป็นธรรมาพิธฐานก็คือความนึกคิดของท่านในจิตใจเนีเ่ยยอมงงไปยอมอัดยันทำอัศาจรอะไรจิตใจัวใคร ค, คิดไป เราอยู่ตาสาลัดสบายงานพิมพานั่ง น, น, นะนั่งมาแล้วเลี้งขนาดนั้นมีความสุขความสบางนี่แล้วนะทนทุกข์อยู่ในต่าน้อยเด้งเลยเกิดความรู้ความสาลาดอะไรจิตใจแร็ออกไปคิดออกไปคิดออกไปอย่างนี้เกีย่ยวกับปัญหาความาอยากเกิดความต้หา in, หนักยินดีชอบพอนอารมณ์ทั้งยังที่เคยผ่านมาเลียนลาค่ะ ความยินดีอย่างนั้นคือความยินดีในบาปหรือวะอะไรตีนทาหาเกิดมาเป็นธรรมาพื้ฐานเป็นอย่างนี้นพอทาแล้วเลิกได้เราหนีมาเนย่จะมีใครขับไล่สายส่ง เ, าเราหนีมาปฏิบัติเพื่อตัดทรู้แตวเราจะมาทอถอยทำไม ก่อนแรกแจ้็นิ่งแล้วก็ผูกใจนั่งแล้วสรางทัจษะแล้วมันจะเป็นอะไรมาเราจะไม่ห น, นีตาขี้เป็นนั้นค่ะเราจะไม่ห น, นีที่จะมาอยูนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็จะให้มันรู้อยากให้มันเข้าใจใจมันละมัถอนจากความผิดข้องพึ่งอย่างไปกําหนดอยู่กําหนดเลื่อยไปแต่ใจยังลอยลรวมพอ เรื่อเหล่านั้นนหมดไปตำราทว่าลูกสาวเข้างานมาหลอกเีงขท่านท่านเอหลงไปตาท่านเงี่งเจรจามันลายออกไปแล่อะไรไล่ใหญ่หูอะไรพวกของเธอทั้งสามอย่าเสื่อังนตัวเธอาก็ไมล่ยข้ามานี่นี่มันการชีได้อะไรพวกเหล่านั้น ร่างกากแกเท่าไปขวมไปในนี้อะไรี่จะสวยงานกลับไปหาพระรา บ, บิดาคือตัวพยานาพญานาโะงะนาบัลังกตามตลัดปัาที่เด็เขาเขีาาเยนไว้ม่พรห้พญานาโมรพพุทธเ จ, จ, จ, จ้าผุ่งหอบทีช้างอะไรไปอะไรนี่ที่เขาเขีเขาาเยนไะว้หากลัว อย่างื่อเป็นเรื่องบุคลาพิฐานถ้าทำมาพิฐานแล้วไม่เป็นอย่างนั้นงานก็คือทิ่งเถื่อนานความขาไข่คิดในใจิตในใจขันเถน า, าคือหยุดเวทนาทั้งยาทั้งฐานยินงยาอยู่เป็าางง น, น, นงานที่เราหุดตาน ก็คือเพื่องจิตใจใส่คิดไปในทางดีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทางที่จะตัดทะลคมีคิดอยากจะอยู่ในโลกนักจูงมาคือความตายมันมีเลยกานทุกคนความเม่อยไปรอนนอนเข้าความเจ็บปวดมันเกิดขึ้น มันยดอันนั้นเกจะยแตกอันนี้ก็จะพังเหมือนมืนมดเนี่ยนั่งไปฟังธรรมไปอ่ะเพราะมันเกลียดสั่ามันเป็นอะไรใจมันจะขาดจะทกอจะสายมมนมีความสุขความสบายให้พอหยุดเทศหยุดสอนเท่านั้นมันก็หายนั้นปิด ท, ทิ่งมนะเหยื่อานขันธรามานพิเรศมานั่งอยู่มามนมาบรบกวนบัลลังก์ แต่ท่านก็คิดได้ยึดมได้ดนพระไทยทั้งท่านมันจะเป็นอย่างเรเป็นกันเราจะไม่นีจากขี่เป็นอันค่ะมันเกิดขึ้นได้มันก็มีวันที่มันจะดับได้แต่เป็นจะตายเรจะมีนี้ทางมีอะไรมีที่เกิดเกิดขึ้นทํา ม, มึ่งมั่งต้องมั่งอย่างนั้นทางขาดสนานจริงๆว่า มีพรกนางธรณีมาช่วยหัวยนยผมออกไปเป็นน้ำท่วมสพยยมานตายกันไปงานก่านงานพะไทยของพระองค์อ่ะธรณีจิตใจแน่หนาเหมือนแผ่นดินใครจะเอาไฟเผาขุดกวนไ้ที่ไหนทำอะไรแผ่นดินเพื่ทไม่เคยหวั่นไหงานพระไทยของพระองค์หนักแน่งขนาดนั้นอย่งนี้วันถอยหลัง หนึ Nej, it, ่งโดยจากสู่สู่พยมบาลโดยขันติยิริยะสัจจะอธิษฐานสู่กันจิ้การจังจนชนะแมนไปจิตใจเฮงเฮงเกิดควรู้ต่างๆเป็นผุ้เพียรภาษายุสติยามวัดลึกการหูหลังได้เคยเกิดเคยตายอยู่ที่ไหนเป็นอะไรทราบนี้ เกิดเป็นตุตาตายานขัดักอยูในโลกอันนี้จะเกิดมาแล้จะมีชีวิตเป็นอย่างไรจะทายไปเมื่อไรเกิดในวันนี้เท่าไรตายในวันนี้เท่าไยปได้จะไปอยู่พบหนึ่งเ่อนมไปขัดทั่วไม่มีอะไริดบ้าง่เป็นตยานของพระองค์ที่จะทำบาเพ็ญจิตสงบยอมลงไป เป็นสมาธิเกิดอุปจาระความรู้ออกท่เขียวดูพบฉาก ต, ต่างๆเรื่องต่างๆจนเย็มใจสว่างในคืนันั้นก็เกิดอาสรัคคยาคือ ท, ทำอาสวัคเกียรติในจิตในใจหลุดอ อ, อ, อ, ออกไปยอดออกไปตาออกไปเป็นพระพุทธเจ้าเต็นที่หีาการกาทำาลทินขอ ง, ขอ ง, ของท่านมาอย่าง ไม่ใช่ทแบบการอย่างพวกคนเราทะมีกิเลสปัญหาลดข่าอดตาทานน่เดียวมนแข็งเกินไปหนังภาวนาเป็นโฉมเงิมัจะตาพิื่มันพิษเป็นอัตะทุกข์ทามานเป็นหยื่อมาดยุ่งเดินจนฟุจะไปเดินทำไมเดินมันปวดหัปวดขา สายกลางั้งเราเป็นแบบนี้สายกลาง้างเราเป็นอยู่ทหนอนทาอะไรก็เกหนอนจะที่ไหนมันจะทําให้หนีท้ยิ่งหนอนก็เอะไปจะตายเยอไปที่เลดมันจะหายจากใจมีสายกลางั้งเรามันกลางอย่บงนี้เลือดมันจงนี่หนีจากจิตจากใจถ่ทับดูเรื่อยตหยุดบังเอาไว้ จะทำอะไรก็กัวแต่ตัวแก่ตามันคิดอย่างนั้นมันเป็นมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายนักฝ่ายผลฝ่ายดีฝ่ายเด่นนี่จะเรื่องจิเลตันหาถัาถึงเต้นตีอยู่เรื่อยนะอ า, างแบบนี้กางของพวกเรากลางไองรู้ใจจ้ า, จานั้นเอาชีวิตเป็นตัวกกตประกันตายตัวตายไปเถอะถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันจะเจ็บป็นตัวขนาดนี้น เมื่อจิตมันเปลืไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมนอิจากที่ครบทีชีวิตอุทิศในการกระทำขั้ตุกเนีเ่ยเด็ดเียวกล้างหาญขนาดไหนนี่สายต่างทางวิทเจ้ากลางคือทำจิตทำใจให้หมดปัญหา อุปาทานหมดเรื่องต่างๆ ท, ที่เคยข้องหิตของใจทั้งตัวว่าอะไรคือความรู้สุดหลุดไปจากพบชาติจะไม่มีการเลื่อนได้ใต้เกิดอีกเห็นเด่นชัดไปจากในพระทัยของพระองค์สายตางทั้งท่านสายตางของพวกเราเนี่ยอย่างนั้นตัางอยู่ในทาง ทาง้ชั่วทางหยาดๆทางที่เลสตัญหาเลยเป็นอัตตาทุพพไปเอาตัวเป็นใหญ่หรือเอาทําเป็นใหญ่โลกาทุพพลาเอาโลกเป็นใหญ่หรือเอาทําเป็นใหญ่ถ้าเอาธรเป็นใหญ่มันจะเป็นไปขนาดไหนเป็นอย่างเรานั้นเหมาะหรือไม่มันจะทราบในจิตในใจทั้งตัว พอมันอยู่สายกลางอยู่ในทัพไมอยู่ในโลกอยู่ไอยู่ในตนคือจะทำมันเพิ่ให้รู้ให้เห็นในจิตในใจทั้งตนถึงวันนาะอกม่แล้วเป็นกลางได้ราู่แล้วดะไม่เห็นอะไรจะไม่เข้าใจอะทรคุณถือวมันเพ่งตนไปมันเป็นอัตตาที่เราว่าถาไป แต่ส่วนเป็นอะรมุกขุขังมีการนั้นมันก็เคยเป็นมาอยู่เนี้ยกามันอยู่ที่ไหนเรื่องเรลาทัศอท้เป็นการให้ถึงจะถูกใจสบมันก็สบาแค่นี้แหละโลกานึงพเศษอะไรพอเราเชื่อล้าทำไปอย่างเดิยมันก็ไม่ผิด จต่างอะไรจิใจจะมีและเสียทั้งนี้อย่าไปหวังพอเราทามาแบบนี้ห็นแบบนี้เป็นอยู่แบบนี้ถ้าทาการเปลียังอะไรมันจะพังจะแตกไปแต่มันพังแปแตกไปอะไรมันเหลืออยู่เราจะรู้เราจะเข้าใจในตัวของเรามันหลอกเราต่างหากเรื่องต่างๆนานา ทนตาถังตาเด้เสียหรืออะไรเราจะได้พูดให้คนฟังนี่คือการทำจริงทำจังกาหถามเดียวมีเห็นไม่อาจทำชัดเจนมีใครเจอไหมหลอกลวงได้เพราะทำขนาดนี้จึงยมผลเราเป็นคนยากถ้าหากมันทำง่ายทำสบาย เราก็ขำไปแล้วโง่ไปแล้วหนึ่งโลกหนึ่งสชิงสาหนึ่งกิเลสปัญหามีมันทําไำยากมีใจทําธรรมดาจะต้องเอาชีวิตเว่าละมจรงจะเห็นจะเป็นก็ลองทําไปเมื่อทำไปเห็นเยอะอย่างนั้นเราจะปฏิ บ, บ, บัติแบบไหนต่อท่าต่อขันมันก็เป็นการเรื่ไปมันเหนื่อยเอข่าตัวเพราะจิตพอใจของเรามันเป็นทํา นี่เราอย่างเป็นทำอะไรมันยังเป็นกิเลสปัญหาเป็นโลกอยู่นันจริงไหถูกสายต่างสักทีมีแตเบียดแตบช่อมันมีทำเป็นกลางให้ใจนั้นจึงกระทบกรอเที่มนอยู่เรื่อยมาขายต่างรวมเงินยอดกว่าหน้า ใหญตาบางขึ้นนะตัวนี้ตัวพิเศษเขาตขาตมิทาเข้าไปก่อนนะเศร้าใจจุกเหนื่หอเป็นทุกในจิตนจไม่เหมือนเป็นกลางให้ใจเป็นกางเขาจะถำให้เด็ดไหนไม่มีอะไรบังใหไม่มีอะไรที่จะเส้ยหายเอาใจเป็นกลางเป็นอัดเป็นทรร แผ่นดิมีสุขมีสบายโดยเห่นวายกับตาเห็นหงายยิ้เป็นเหมือนใบกินยิ้มลบรถตาใหทั้งผักเือยจิตโย่ความกับทั้งดาวมีอะไรที่จะลามันความเป็นกางทั้งทัให้ตกไปฝั่งนั้นฝั่งนี้นี่คือการประพฤติปฏิบัต จงพือจิตเขาถึงอาจถ้งทำจริงจังทำชุกทำขาบ้ายอย่าเย็นอย่ตลอดทามตลอดเวลาฉะนั้นเราควรปฏิบัติเล้วนมาอยากยุ่งก็อยจะไปทอดทลท้อถอยว่าเราจะอาภัพอาวาสนาจะทำไม่ได้เรามีจิตที่จะทำได้ไอพีนี่ี่เจมา อ, อย่าไปเชื่อเ่องของตน ที่มีกิเลสปัญหาอย่าไปเชื่อเรื่องโน่นปาก่องนนของคนของโยมจนเจ้าจจอของคนให้ทํำตนให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมเดี๋ผลมีอย่างไรทําไปเราจะเห็นความสุขของใจคือยินคือกุศลที่มันเกิดขึ้นจากการะทำํำบรรดาของคน อย่างไรสบายอย่างไรปล่อยวางอย่างไรละถอนอย่างไรนั้นเราจะเห็นในจิตในใจของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาเนี้ยมาสอนให้ใจนั้นใจหกใจมันจม้นจใจว่างใจนั้นละถอนห่าไปจจับราตาปัญหามามนาพุทิอวิชาอุปาทานพบชาติมันเป็นอย่างไร สุขปฏิบัติเห็นมาจากชาติเกิดนในใจจะมีปัญหาอะไรถามใครอีกมีเครื อ, อานิสงของการปฏิบัติเห็นดุลเห็นกุศลเห็น ค, ความสุขความสบายทั้งนึ่เป็นอยู่และตายไปไม่มีอะไร ส, สี่งสงใส่มีการประปฏิบัติอันิี้สงกระจัด จิตในใจทัเป็นดังนั้นแต่ส่วนให่เป็นสามพิธิโกคือเห็นเองเป็นปฏิจจตังเฉพาะตัวอีกพากันแต่ทําน้ำเทนอย่าไปคิดว่าวันนึงก่อนเดือนี้ก่อนทํากันไปอบรมกันไปที่จะมากันไปแล้วทำอยู่บ่อยๆอึดจักอยู่บ่อยๆ บดอยู่บ่อยต้นมันจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็มีวันมีเวลาที่จะพังลงได้หักลมได้หุ่นเขามันจะใหญ่ขนาดไหนเมื่อตั้งใจเกลียดทำลายพ้างมันเจาะเข้าไประเบิดฝังเข้าไปมันก็พังก็ได้หักก็ได้นี่ไม่ทำอะไรจะอยู่ๆทำๆจะเห็นต้นนี้มันหักมันโค่นแต่หุ่นเขา มันแลกมันทลายมันเป็นไปไม่ได้อยากให้มันหากมันควนกวต้องตัดนะอยากให้มันพังมันทลายก็่าต้องเจาะมันระเบิดนะนี่คือเหตุปัญหาในจิตในใจของเราก็งํานองนั้นแต่เราพยายามทำไม่เยอะยิ้มใส่ท่านจึงมีาสิทธิ์รับรองเอาให้เยอะูนะทุกขณะเจติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเพียรพยายาม เราทำน้ำพินอย่าไปหวังอะไรเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าการรักษาดูแลรักษาใจของตัวทำงานใจของตัวถ้ามีตั้งใจเร็่เดียวอย่างนั้นทุกคนมีทางที่จะพ้นไปจากความชั่วจากทุกข์จากัทษจากภพจากชาติ มี่ตะสารนาในทำอะไรมันจะหน่งงมีเวลาที่จะถึงได้ที่จะหลุดได้จะเลิศได้จากพ้รจาชาติของตัวนั้นขอทุกคนจงเงินไปที่ที่เจริญศึกษาต่างหน้าปฏิบัติความสุขความสบายความผลจากทุกจะปรากฏขึ้นในจิตในใจอย่าไปเชื่อ อัตตาที่ไปตายโลกาที่ไปตายเหตุเชื่อธรรมมาที่ไปตายีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าธรรมะเป็นอาการที่โกไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจจะเลิปฏิบัติคนนั้นจะไปจับในมัดในผมในจิตใจของตนในหลัาการใดสมัยใดผาบมือหน้ามือตาผเพียรภาวนาลร้กิเลสแล้ว นั่นจะสุขใจสงบแต่เห็นผลไปจากชัดเจนต็มที่เนีย่ยเร่องการกระท h a มันเพนไม่ใช่คนอื่นเขาจะมาทำใหอ้อาศัยตัวของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงพากันกระท ham มโนเพนใหเห็นเหงื่อหลไปคิ ด, ดว่าลอยอาภาพอาบาสกันนะ ยามยเรื่อยจิตใจผิดเคยเต่าหมอจิตใจผีดเคยขมมือจิตใจผิดเคยคลองจิตในที่เดดปั่นหายึดถือเรื่องต่างๆนี้าันจะตกตรนออกไปดวยใจของตัวมีธรรมะปาการความสงสัยความคลาองจิตลองใจ ให้หมดไปได้นี่คือการเรื่อปฏิบัติธรรมฉะนั้นขอทุกท่านลง น, นือแตะทำบำเพ็นอย่าไปเห็นหน้าเป็นหน้าสี่นกพระพุทธเจ้ารือพระสงเป็นหน้าสี่ของเราทุกคนที่ยังมีกิเลสปัญหา ไม่กระติบักันความฝุ่าเจริีเราไต่นาะ